أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل บบ ل ลกาลามีนอ م ลลอฮ์มูซัลลิวัสสลิมอัลล س ب ح ا ن ك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إ ش ر ح لي صدري و ي س ر لي أمري وأحل العقدة من لساني يقاو قولي اللهم فعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علم ا ربنا ظ ل م ن ا أنفسنا و إ ل َ م ْ ت َ و ْ ف ر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ وَبَنَآتِنَا ال م ِ ن ا ل َ ن ك َ ر َ ح ْ م َ ة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ا ل ل ه م إ ِ ن َّ ن َ ع ُُ و ب ِ ك َ مِنَ الْبَرَسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَصْقَامِ و ้อนี้ ن เรียนนะ ทำมาเพื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้แจกพี่น้องที่มาละหมาดวันศุกร์ด้วยนะครับอิสลามกับการดูแลตัวเองจากโรคโควิด19จะป้องกันตัวเองอย่างไรตามวิถีของมุสลิมนะครับทั้งอัสบาบและการตาวัตรกันต้องดูแลให้ถูกต้องใช้ทั้งอับาบ และที่สำคัญที่สุดก็คือการตะวกักกการมอบหมายต่อหลักสุตรพานาคอตาแลาการขอดูอา์ต่อพระองค์นะครับเป็นแผ่นพับเล็กๆที่ให้คำแนะนำ ว, ว่าการีมเราแจกก่อนเลย <laughs> และก็มี QR Code นะครับอันเนี้ยเนื้อหาสรุปมาจากหนังสือที่เราเคยแจกเมื่อปีที่แล้ว วันนี้เราทำเป็นแผ่นพับแล้วก็มี QR code ให้สำหรับคนที่อยากจะอ่านหนังสือฉบับเต็มก็แค่เอามือถือมานะครับแล้วก็เขา้าบางมือถือบางมือถือบางก็ไม่รู้นะว่าเขาสแกนกันยังไงแต่ปกติเขาสแกนกันยังไงสแกน QR code สแกนกับไลน์ก็ได้ใช่ไหมเปิดแอปไลน์แล้วก็เปิดที่ไอ้ที่มันมีรูปเป็นรูปสแกน่ะ ก็สแกน QR code เพื่อที่จะอ่านฉบับเต็มหรืออยากจะดาวน์โหลดไปปริ้นเองหรืออะไรเองก็ได้นะครับเพราะว่าต้องช่วยกันยังมีการระบาด ท, ที่น่าเป็นห่วงอยู่โรงพยาบาลสนามเปิดกี่แห่งก็เต็มล่าสุดได้ข่าวว่ามีการขอรับบริจาคกัฟฟัน ที่ใช้หอศพอัลลอฮุมุสตันะครับเพราะฉะนั้นห่วงเป็นใหญ่นะครับช่วยกันดูแลพวกเราเองก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าพื้นที่เราจะเบาบางลงแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราสามารถจะไว้ใจได้นะครับยิ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาออนรับฟลายแรกจากต่างประเทศเข้ามานะ Allahu a s อ a l l a h u m Inna nasalukal mu'afah في الدنيا والآخرة เรามาอ่านสุรทูละคอฟวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าตรงกับชื่อสุรขยันที่เราจะอ่านวันนี้อันที่สี่ยี่สิบเอ็ดสองห้าห้าหกนสองห้าห้าหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไหวไหม ห้า อ, อายอดมาอ่านกันเลยเดี๋ย ว, วกลัวจะไม่ทันกลัวจะไม่จบตอนนะครับเวลาประมาณสีสิบนาทีได้ไหมอัลลอฮฺบิลลาฮฺมิเนาะลชาอิตานอฺร์รีมวั ครัَการ์ดิ้นอิส قوم ะฮุบิว่าดั นُ ذ ر ُ من بين يديه ومن َ خلفه <ت ص في ق> ألا تعبدو ُ إلا الله إ ن นน خ อ <ت ص في ق> ا ف ้าวุอะลัยคุมอา ي าบยูมินอา แต่เราลืมที่จะละทิ้งเราเกี่ยวกับอัลลอฮ ا ของเมาทดอกงมิสดก قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوم ا تجهلون فلما رأوه عارض ا, ا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرون بل هو مستعجل به ر ิ่ง فيها عذاب أليم ทุดำมร ش ทุกเลช่ยน์บั่ ر َ ب บบ ه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ُُ كذلك َ نجزي القوم المجرمين อัลฮ ah ah ah ah ัมด ah ุลิลลถึง25จากสุรุตุลอาข้อฟวันนี้เป็นเรื่องราวที่ตรงกับชื่อสุรุขเลยสุรุขของเาลังเรียนก็คือสุรุตุลอาข้อฟและเรื่องราวของอัลอาข้อฟเริ่มต้นจากอายะที่ี่เอนี่เอง Allah Taala ตรัสว่าวะลกุรเป็นคำสั่งให้กับท่านนบีมุ hammad صلى الله ع ل ให้ท่านนบีมุ hammad นึกถึง เรื่องราวหนึ่งหรือเอาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังเวลาที่เจอกับปัญหาการต่อต้านของบรรดาพวกมุชริกีนที่ดื้อด้านบางครั้งก็รู้สึกท้อถอยมีไหมที่ท่านนาบีรู้สึกไม่ไหวนะอย่างที่เราเคยบอกนะครับผมไม่รู้เคยบอกหรือยัอยงว่าสุร้อนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับตอนที่ท่านนาบีสุลตะานลำไปที่ตอเอฟ หลังจากที่มุชริกีนที่มักกะเนี่ยไล่ไม่ต้อนรับโดนนู้นนี่นั่นท่านก็เลยพยายามที่จะหาว่าจะเอาด่าวะของท่านจะเอาอิสลามเนี่ยไปไปเผยแพร่ที่ไหนต่อเผื่อว่าจะมีที่อื่นต้อนรับก็เลยตัดสินใจไปต่อเอฟแต่ความหวังก็ต้องล่มสลายเพราะว่าไปถึงต่อเอฟเป็นยังไงครับโดนคว้างอินจนกระทั่งเลือดไหล แล้วก็ระหว่างทางก็กลับมาระหว่างทางเนี่ยเจอกับจินน่ะเดี๋ยวเรามีเรื่องจินอยู่ตอนท้ายแต่จะบอกว่าการทํางานดะวะของท่านเบียสลลัอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสสลัมละว่าแบบสิบสามปีที่มักกะไม่ได้รู้ราสบายเหมือนเราเราเดี๋ยวนี้ดะวะผ่านเฟซบุ๊กผ่านทางยูทูบอัลลอฮฺมุสลาห์มันก็มีอุปสรรค ผ่านยูทูบผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลมันก็มีอุปสรรคของมันแต่นั่นแหละครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเอเราทำแล้วทําไมมันหนักขนาดนี้หนักจริงหรือของเราอะ่ะปัญหาของเราหนักจริงหรือไหนลองนึกถึงเรื่องราวของคนก่อนหน้านี้หน่อยสิอย่ามุฮัมมัดอุสกุรนึกถึงเรื่องราวของใครอะคออาดินพี่น้องของพวกอาร์ พี่น้องของพวกอารตรงนี้ก็คือหมายถึงท่านนบีฮูดอะลัยฮุสซลามอุอคูวะตรงนี้เป็นพี่น้องกันตรงนี้หมายถึงเป็นพี่น้องในเรื่องของสายตระกูลในเรื่องของเป็นกลุ่มชนเดียวกันแต่ไม่ได้ว่าเป็นพี่น้องในเชิงศาสนาการเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันมีหลายแบบพี่น้องทางสายเลือดใช่ไหมครับกับพี่น้องทางสายความเชื่ออไะไรได้เหมือนกันความเชื่อเหมือนกันอุ ด, ดมการณ์เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นพี่น้องได้อินนัมมลูในนูนะเดีวขวบบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนั้นเป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดแต่เป็นพี่น้องในทางอิมนอานอคออาเดหมายถึงพี่น้องในทางสายเลือดของพวกอาดเป็นพวกของ น, นท่านนาบีฮุดอละลัิซ์ซาดอิ ส, ส อ, อันดาระกูมหูในขณะที่ท่านนาบีฮูดได้ทําหน้าที่ในการเตือน กลุ่มชนของท่านที่อัลอะฮกอฟอัลอะฮกอฟเป็นชื่อสถานที่เป็นคำพหูพจน์นะเป็นจำอพหูพจน์เอกพจน์ของมันเนี่ยมาจากคำว่าฮิกอฟอัลฮกฟในภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงภูเขาทะเลทรายไม่ได้เป็นภูเขาสูงมากๆอาจจะเป็นเนินของทะเลทรายหรือมันจะมีภาษาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น และภาษากรีกอะไราอ่รูปเวลาเราเคยเห็นใช่ไหมครับรูปเนี่ยผมมีรูป เ, เป็นทรายที่เป็นเป็นเนินสูงๆแล้วก็ลงแล้วก็ดูไกลๆก็สวยงามแต่ข้างใต้นั้นไม่รู้มีอะไรอาจจะมีเมืองโบราณอยู่ก็ได้วัาว่อวานละเหมือนกับเหมือนกับกรณีของอัลอาคอฟเนี่ยเมืองอัลอาคอฟตอนนี้มีร่องรอยอะไรไหมไม่มีใครกล้าเข้าไปเดี๋ยวเราจะได้เล่าให้ฟังอัลอคอฟเนี่ย กินพื้นที่ทั้งหมดนะเขตแดนในปัจจุบันนี้อัลอาคอฟเนี่ยชื่อของมันก็คืออารุบอุลขัลีอารุบอุลขัลีเอ็มตี้ควอเตเป็นดินแดนทะเลสายที่กินพื้นที่4ประเทศอัลซาอูดิอาระเบียเย เ, เมนเอมิเรตและก็โอมานเนื้อที่ทั้งหมด6 5 0 0 0หตารางกิโลเมตรใหญ่ไหมประเทศไทยนี่กี่ตารางกิโลเมตร ถึงไม่ห้าแสนตารางกิโลเมตรลองหาดูใน Google หแสนห้าหมื่นตารางกิโลเมตรใหญ่กว้างมากนะเป็นพื้นที่อักกฟแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยิ่งถ้าเป็นลึกเนี่ยยิ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรนะวลลาอาล่อเาอ a l a r ลองไปค้นหาดูในใน u t u b e ในข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูก็แล้วกัน นะเพื่อเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราจะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเรียนเรื่องจริงเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องบโนเรื่องอะไรต่างๆสถานที่นี้เป็นสถานที่จริงณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่จริงนะครับเขาพยายามที่จะทาการศึกษามากมายนะครับเป็นภูเขาที่ทะเลทรายทั้งนั้นเลยทะเลทรายเนี่ยไอ้ที่มันเป็นราบอย่างนี้มันก็มีใช่ไหมครับ ไอ้ที่มันเป็นแบบทะเลทรายเห็นลูกหุคือไม่มีภูเขาเลยเป็นทะเลทรายใครที่เคยเป็นประเทศอาหรับเนี่ยเช็กไตรอยู่ประเทศอาหรับนี่จะรู้เลยว่าทะเลทรายมันมีหลายแบบนะมันไม่ได้มีแบบเดียวมันมีทะเลทรายที่แบบอยู่ตรงนี้แล้วก็มองทะลุไปไม่รู้กี่ร้อยกิโลเมตรก็มีอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทะเลทรายแบบอัลากร์เนี่ยไม่ใช่ทะเลทรายแบบกว้างๆแบบนั้นเป็นทะเลทรายที่เป็นภูเขาทรายที่เป็นระลอกระลอกระลอกระลอกอันนี้คือ อัลอาคว์ลองหาดูพวกอาร์ตนะมีชื่อเรียกจริงๆแนละ้วมีชื่ออีกชื่อหนึ่งในช่วเราตุลฟาเจอรเป็นพวกเดียวกันอิรอมาดติลอิมาดนะอิรามาดติลอิมัดก็คือก็คือพวกอาร์ตพวกของท่านน บ, บีพุทนี่แหละพวกนี้เป็นพวกที่มีความกำยำมีความแข็งแกร่งในสมัยอดีตเป็นชนเผ่าโบราณที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแกร่งกว่าพวกมุกสลิมีนได้ซ้ําไป แล้วก็ดื้อด้านกับท่านนบีฮุดอะลัยฮิสสลามลองนึกดูท่านนบีฮุดทาหน้าที่ในการด่าว่าพวกเขาแล้วก็นบีฮุดก็มีรอซูลมาลวอันนุดรผู้ตักเตือนตรงนี้หมายถึงบรรดารัสูลนั่นเองรัสูลกับนบีฮุดใครอะนบีอูฮ์อะลัยฮิสสลามก็มาก่อนบีฮุดอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็คือรอซูลที่มาหลังจาก น บ, บีฮุดบางต afsir เนี่ยอยาอิมรุกะซีเนี่ยบอกว่าหมายถึงรอบๆ อ, อบรอบวงนอกของพวกอากอฟนี่ก็เป็นพื้นที่ของบรรดาบรรดารอซูลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้พวกอารเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ได้ห่างไกลาจากรอซูลของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นชนเผ่าที่มีอารยธรรมไม่ใช่อาศัยอยู่แบบ คนป่าไม่รู้อะไรไม่ใช่นะเป็นคนที่มี อ, รอารยธรรมมีรอสู้มีคําสอนต่างๆมีการนวัตกรรมอะไรในสมัยนั้นตามลักษณะของเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่เลา ต, ต้องการจะสื่อนะครับว่าท่านนาบีฮุดอะลัยฮิสサラม์เนี่ยทำงานกับคนกลุ่มนี้วกนบสิ่งที่ท่านนาบีฮุดหรือามาพูด คืออะไรอัลลอฮ์จะบูดูอิลลัลลอฮ์นะด่าวะของนบีฮุดก็คือพวกเจ้าอยาได้อิบาดห์เขารบพักดีสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ละเหมือนกันมกับที่ท่านนบีลตัลละซัลมาบอกกับพวกมุสลินมักกะด่าอวะของบรรดาอับดลือคําสั่งนี้หมดทุกคนเลยคสั่งเดียวกันหมดอัลลอฮ์ะบูดูอิลลัลลอฮ์ ไปฟังน บ, บนีนุน บ, บีนุเขาพูดอย่างนี้ไปฟังน บ, บีฮุดน บ, บีฮุดเขพูดอย่างนี้ไปฟังน บ, บีศาลาเขาพูดอย่างนี้ทุกคนเป็นคําสั่งเดียวตลอดระยะเวลาในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติน บ, บีทุกคนอัลลอฮฺตะละส่งมาเพื่อที่จะมาประกาศกับมนุษยชาติว่าอัลลอฮฺจับบูดูอิลลัลลอฮ์พวกเจ้านี่เป็นบ่าวอัลลอฮฺตะละเพียงพระองค์เดียวนะอย่าไปเป็นบาวของคนอื่นอย่าไปให้มอบตัวเองกับคนอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุลตานอัลตะละ ละอิ ني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله أكبر อันนี้เขาเรียกว่าแรงผลักดันที่ท่านนาบีฮุดได้ทําหน้าที่เนี่ยมาจากอะไรมาจากมาจาก เ, เวลาที่เราไปบอกเขาให้เขาเป็นคนดีให้เขาศรัทธาต่อรอบสวาตอะไรเราบอกเขาทําไม เรามีอะไรมีผลประโยชน์อะไรเบื้องหลังไหมฮะท่านน บ, บีฮุดบอกว่าฉันไม่ได้ทำหน้าที่นี้เนี่ยด้วยเหตุอันใดเลยแต่สิ่งที่ฉันทำเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงข้อฟากแลกฉันกลัวว่าพวกท่านเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุลต่านอลละบางทีอัลละห์ะจะลงโทษอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมตลกเป็นจุด เป็นแรงผลักดันเวลาที่เราจะทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศารแห่งความดีความเมตตาจาะล่องสมารถอะไรเนี่ยออกมาจากความเป็นพวงของเราความเมตตาความพวงใหญ่ความไอความอะไรเขาเรียกนัความหวังดีต้องออกมาจากความหวงดีไม่ใช่ออกมาจากความอะไรอะความเครียดแค้น แผนร้ายหรืออะไรบางอย่างหรือต้องการให้ลำบากไม่นบีทุกคนและบรรดาผู้ที่สืบทอดมรดกของบรรดานาบีทุกคนที่เป็นบรรดาอุลมามะบรรดาคนที่เป็นคนที่ให้คำตักเตือนแกเราเนี่ยทุกคนพยายามที่จะบอกให้เราระมัดระวังตัวเองบำรุงรักษาอิมรันของตัวเองทําอามัลอิบะดาให้ดีถามว่าเขาบอกเราทาไมอ่ะนี่ที่เราพยายามพูดกันนี่พูดทาไมอ่ะคนพูดได้อะไร พูดด้วยความเป็นห่วงเหมือนที่ท่านนาบดุลเลสลลัลลอฮุัยะลพูดกับบรรดาพักพวกของตัวเองก็ด้วยความเป็นห่วงอินนีอาข้าวอัลเลกุมอาซาบะเยฺมินอาฎิมอัลลอฮุอะลลัแต่ความเป็นห่วงเนี่ยคนฟังเนี่ยกลับมองเป็นอืน่นอัสซัลลัลลอฮะออันนี้เราต้องทำใจนบีหูดพูดด้วยความเป็นห่วงนบีมา มากก็พูดด้วยความเป็นห่วงแต่ดูคำตอบดูคำตอบของบรรดาคนที่เข้าใจเป็นอื่นพูดว่าอย่างไงก็ลู้อจิตนาลิตะสิกนาอันอาลิฮะตีนาชนกลุม่มกลุ่มชนของพวกเอ่อของนบีฮุดเนี่ยได้พูดตอบกลับตอบโ ต, บ ต, บ ต, บ ต, บตบ้นบีฮุดไปว่าเจ้ามาหาพวกเราเนี่ยเพื่อที่จะลิตะสิกนาอันอาลัออนอฮตีนาเพื่อที่จะหัน เราออกจากบรรดาพระเจ้าของเราอย่างนั้นหรือจะมาหลอกเราจะมาชักจูงเราจะมาเชิญชวนเราให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาอย่างนั้นหรือแล้วไม่เกรงใจปู่ย่าตายายเราหรือปันพระบุตรเราอุตส่าห์สร้างวัฒนธรรมประเพณีนี้มาแล้วอยู่ดีๆพวกเจ้าพวก ท, ท่านมาบอกกับเราว่าเอ้ย ไอ้ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันเป็นชีริกมันเป็นสิ่งที่อละตะลาโกรธเรี่ยวสักวันหนึ่งอาจจะต้องลงโทษเพราะการกระทำแบบนี้เฮ้ยไม่หวังดีแล้หวังดีอะไรแบบนี้กําลังจะมาทําลายเรามากกว่าลิตะฟกานาอันอลิฮัตินาไม่ยอมรับมองโลกในแง่ลบมองโลกมองต่อคนที่มาพูดเนี่ยตั้งเป็นอคติไว้ก่อนล่วงหน้าเลย ไม่มีไม่หวังดีแนะ่ทั้งๆที่น บ, บีฮูดบอกแล้วนะที่ฉันบอกอย่างนี้เพราะฉันเป็นผ่วงแต่คนฟังไม่ยอมรับนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางทีเราเป็นห่วงเขามากมายแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่รู้เหมือนกันเขาเขามองว่าเรากําลังกําลังคิดร้ายกับเขากําลังจะทําลายเขากําลังจะนาอะไรต่างๆที่มันขัดกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นเรื่องดีว a l a y y a d u billah เป็นสุนนตุลลอห์ในเรื่องเหล่านี้มีทุกยุคสมัย มีตั้งแต่สมัยนะบีนูจนกระทังยุคสมัยของเราก็มีแบบนี้แหละคนที่พยายามจะนําความดีมาสู่สังคมยังไงก็ต้องมีคนมองในแง่ในแง่ลบวลัยอาบุบิลละลาฮาอัลลอฮวะลาฮฺแต่อิลลับิลละไม่พอแค่นั้นไม่ได้กล่าวหาอย่างเดียวนะยังท้าทายด้วยฟะตีนาบิมาจอยดูนาอิ่งคุนตะมินอสซาดีกีนถ้าเจ้าพูดจริงนะพูด ถ้าสิ่งที่เจ้าพูดกับเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหนเอามาสิที่เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นห่วงกลัวว่ารัฐบาลเราจ่าละจะลงโทษเราเนี่ยไหนเอามาเอามาอสัสซาอุลลอฮฺมองลบกับฮูดคนเดียวยังไม่พอยังมีนิสัยต่ำตำเร็เวๆกับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى ด้วยอันนี้ไม่ได้ท้าทายฮูดคนเดียวละท้าทายใครด้วยครับท้าทายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไหนเอามาสิามีจริงเอามาในภาษาอัลกุรอานเนี่ยอัลลตะลาเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าอิสติอจานคือเรียกร้องให้มาเร็วๆไหนอยากจะดูเลยอยากจะเห็นกับตาเลยส่ว น, น, น, น, นใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้บรรดาคนที่ปฏิเสธในยุคก่อนๆประชาชนก่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งพวกมุชริกีนเองก็เป็นอย่างนี้อิสตออยากจะเห็นแบบทันทีทันใด อยากจะเห็นการลงโทษของ Allah s u b h a n แล้วน บ, บีฮุดตอบว่าอย่างไงนบีฮุดขอดุอาให้อาสาบลงมาไหมไม่พยายามพูดแบบอลุ่มอ่วยพยายามใช้ความเย็นเข้าไประ ง, งับความร้อนใช้น้ำไปปะทะกับไฟนี่คือคุณลลักษณะของดาอี เขาเล่นเกมมา น, นี้เล่นเกมแล้วเนี่ยบรรดาบรรดาคนที่ปฏิเสธพวกของนบีฮูดเนี่ยพยายามที่จะเล่นเกมเล่นเกมกับนบีฮุดเอาสิถ้าจริงมาสิถ้าเราตามเกมของพวกเขาบางทีอาจจะอาจจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิธีของบรรดาอัมบียที่จะไปตามเกมของพวกมุสรินต้องทันเกมใช้ความนิ่งเข้าไปสยบ พูดตอบกับแบบนิ่งๆเลยแบบง่ายๆไม่ยากอลอินมัลอิลมอินดลออัลล์ท่านอัลลอฮ์ต่ลาเท่านั้นที่ทรงรู้ว่าเมื่อไรพระองค์จะลงโทษพวกเจ้าเพราะฉะนั้นรีบไปหรือรีบหรือไม่รีบวันไหนอะไรเวลาไหนฉันไม่รู้ฉันแค่มาเตือนเท่านั้นแล้วมันมีด้วยหรือการ การที่เวลาที่องค์ศาลาจะลงโทษใครสักคนเนี่ยพระองค์บอกล่วงหน้าเนี่ยส่วนมีไหมถ้าบอกล่วงหน้าเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการลงโทษหรือเป็นอะไรได้หรล่าไอ้ที่เราเห็นเห็นกันมาเนี่ยมันมีการบอกล่วงหน้าไหมยุคอดีตกับยุคนี้มีการบอกล่วงหน้ายกเว้นอ่านึกได้ละยกเว้นพวกของนบีซอลแลห์อัลลอฮิสซาลาห์นบีซอลแลห์นี่มีการเตือนล่วงหน้า อภิสอนแล้บอกเลยว่าสามวันวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่หนึ่งสีหน้าจะเป็นยังไงวันที่สองจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็ยังไม่ยอมเตาบัตรตัวจนครบสามวันสุดท้ายแล้วตะลาเขาลงโทษแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีการบอกเนไม่ไม่หมายถึงว่าไม่มีไม่มีอะลามัตล่วงหน้าบอกนะบอกว่าจะมีการลงโทษแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงเมื่อไรอะไรแบบไหนไม่มีการบอกเพราะเวลาที่รัตตะลาลงโทษทีเดียว อัลัยยากุบิลละอิลละอิลลอหเพราะฉะนั้นน บ, บีฮุสต์เขบอกไปตามตรงไม่มีฉันไม่รู้อัลตัลลาไม่ได้บอกฉันว่าพวกเจ้าจะลงถูกลงโทษวันไหนแต่สิ่งที่อัลตัลลาบอกฉันก็คือพวกท่านจะต้องศรัทธาต่อหลอถ้าไม่ศรัทธาต่อหลอถ้ายังดื้อด้านกับอัลละจะต้องเจอกับการลงโทษหนึ่งสองสาสี่หอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้ในเรื่องวันไหนเวลาไหนเท่าไรรูปแบบไหนฉันไม่รู้ฉันเองก็ไม่รู้ อินนัมะ العلم ع อ د الله و อินนัมะ وأبلغكم ما أرسلت به เอ็นไหมฉันเนี่ยมีหน้าที่แค่นำสิ่งที่อัสซาลาบอกฉันมาบอกกับพวกเจ้าหน้าที่ของบรรดารอซูลอร์ซูลจะไปเก้าไกาอ่อานาจของร่องาตาลาไม่ได้บางอย่างอัสลาฮ์ก็ไม่ได้บอกรอซูลเรื่องรอเอฟเรื่องรกลับไม่มีบอกนะครับการลงโทษวันไหนอะไรยังไง ก็ม่ได้บอกนะครับแต่ให้มาตือนอุบลิ่งคุมมาอ رسل ตัวเอง ولكن นี่อาราบุมเขามันจะจลาลูนแต่สิ่งที่ฉันประจับก็คือว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่เจฮาเลเป็นคนที่ไม่รู้เดียงสามนี่อาราบุมกข้ามันจะจลาลูนพวกอาดเป็นพวกที่จ้าลลเกี่ยวกับอะไรเลเกี่ยวกับอัลลอฮ์ะ จะเฮเกี่ยวกับบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆเพราะถ้ารู้จักอัลลอฮ์ถ้ามี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์ไม่กล้าที่จะพูดอย่างนี้ถ้ารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอลอสซาลาเป็นอย่างไรแน่นอนไม่มีใครที่กล้าจะพูดกับรอสูลของลอะซาลาอย่างนี้อินนีอาราคุมโควมันเจฮฮลูนถ้าสมมุติพวกเขารู้จริงๆไม่มีทางที่ เขาเขาตัดสิอย่างนี้เขาบอกว่า“วลาแตาฉันไม่เฉันพวกเจ้าชัดเจนมากแต่ไม่ยอมที่จะเชื่อฟัง”วะุงกิรูนะมาหัวฮักกลนัปฏิเสธสิ่งที่เป็นความจริงวะตุซิรูนะอัลมาหัวบาติลแต่ยังดืด้านอยู่ในสิ่งที่เป็นความเท็จวะตูตาลิบนานีบีมาลาอัมลิคหู แล้วพวกเจ้าก็เรียกร้องในสิ่งที่ฉันไม่สามารถจะให้กับพวกเจ้าได้ก็คืออยากจะเห็นจะจะเนี่ยนบดุลฮุดทำได้ไหมไม่ได้นั่นเป็นสิทธิ์ขอร้องสุบฮาวต่าลๆเพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียกร้องสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะให้เราได้นแสดงว่าเราจะเห็นคนที่ถูกเรียกร้องไม่ได้ผิดนะผิดที่ใครก็ผิดที่คนเรียกร้องไปเรียกร้องทําไมสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่เป็นสิทธิ์ของคนที่สามารถคนคนนั้นจะให้กับเราได้เราเรียกร้องทำไม เราไม่งัวแบบนั้นอ ah> well, ันนี้คือ ولكنني أراكم قوما تجهلون แต่สุดท้ายอัลลอฮฺตะลาลาก็ให้มาจริงๆการลงโทษที่คนล่านี้เรียกร้องเรียกร้องสุดท้ายอัลลอฮฺตะลาลาก็ให้มาจริงๆร فَلَمَرَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ ว่ากันว่าชาวอานเนี่ยหลังจากที่ดื้อด้านกับท่านนบีฮุสัยน์สัลามอัลลอซุาะหตะาลาก็ทให้เกิด ความแห้งแล้งอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วจูจ่ๆวันหนึ่งเมฆก้อนใหญ่ก็รวมตัวรวมตัวกันที่นอกเมืองก่อนรวมตัวที่เหมือนจะเป็นภูเขาเป็นพื้นที่การเกษตรอะไรของพวกเขาก่อนแล้วคนที่อยู่นอกเมืองก็ออกมาด้วยความดีใจอ๋าน้าฝนจะมาแล้วหลังจากที่แห้งแล้งมานาน ฮะกะอาริโดนอาริโดนหมายถึงก้อนเมฆที่เห็นอยู่กับตาเนี่ยมุ่งตีรูน่ะกำลังจะมีฝนมาอัลลอฮฺบอกว่าคนเหล่านี้ไม่รู้ไงเนี่ยว่แล um ้วคินนีอาราคุมเควมันจะจะลุ่น่นจำนวนสิ่งที่คนเหล่านี้ jahil ก็คือมองการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยก็สิ่งที่พวกเขารอคอยนั่นแหละ แต่เป็นการรอคอยที่พวกเขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่น้ำฝนเบลหัวมาสตะจัลตุมบีนี่แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าพยายามเรียบร้องมาก่อนหน้านี้มาสตะจัลตุมบีรีห์ فيها อาเจบอนอิมนี่คือรีห์ นี่คือพายุที่มีการลงโทษอันเจ็บอวดอยู่ในนั้นเรียกคือลมพายุอัลลอฮฺเมเอาแต่ละส่งพายุมาเพื่อที่จะทำลายพรรคพวกของอาสนะครับพรรคพวกอาจของนบีนูอัลลอฮิสลามเป็นการลงโทษกับพายุการลงโทษของบรรดาประชาชาติก่อนหน้าเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบของนบีนูส่งอะไรมาครับ น้ำท่วมของนบีฮุดเป็นพายุของนบีซอ่แหละของพวกนบีซอ่แหละของพวกสามุตเป็นอะไรเป็นเสียงน่าแปลกอวันก่อนได้ยินข่าวที่เชียงใหม่หรือว่าที่ที่เชียงใหม่ไหมที่เขาบอกว่ามีเสียงเสียงดังอุกกระทึกในเมืองอะ่ะเป็นเสียงอุกกาบาตหรือว่าอะไรหล่นมาจากอวกาศสักอย่างนึงเห็นไหมเสียงเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามัน มันทำลายได้นะเสียงออย่างเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินใครที่อยู่กลใกล้สนามบินบ่อยๆนานๆมีผลกระทบต่อการได้ยินเครื่องบินแต่ละแบบก็มีเสียงที่แตกต่างกันเวลาที่เขาสร้างสนามบินเนี่ยถ้าเป็นสนามบินที่รองรับเครื่องบินแบบอะไรแล้ววันก่อนเครื่องบินอะไรแล้ววันก่อนที่หยุดบินไปแล้วคอนคอร์ดคอนคอร์ดเนี่ยลงภูเก็ตได้ไหม งเก็ okay, ได้ไหมพี่ลองได้เหรออ๋อ oh. แสดงว่าสนามบินที่ยังดีใช่ไหมรองรับเสียงของมันได้ออกมาอย่างนั้นถ้าลงสนามบินธรรมดาธรรมดากระจกแตกตึกร้าวได้เสียงพวกของนบีซ صالح ไหยันะด้วยเสียงพวกของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามด้วยอะไรจมน้ําทะเลกอรุนเป็นยังไงดูดดิน กรณีสูเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายในการลงโทษเพื่อให้เป็นบทเรียนกับเรานบีฮูดตอะลัยฮิสサラชนของท่านพวกอาร์ตเนี่ยเราจะอรทำลายด้วยลมพายุัลลอฮุตอลาอลว่าเหตุใดจึงลงพายุอาจจะเหมาะสมกับ ส, สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศลมพายุเน่ลมพายุเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีวาตภัยที่แบบ ถ้ามีก็มีแบบนานๆครั้งสองสามปีครั้งสี่ห้าปีครั้งพายุที่พัดเข้ามาพายุบ้านเรานี่ยเขาเรียกพายุอะไรอ่ะพายุโซนรอน Large, AU ้อนเขาเขาามีชื่อเรียกของเขาด้วยนะแต่ถ้าไปดูบางประเทศเนี่ยเวลาที่เราเห็นในทีวีในอะไรที่มันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมุนที่มันแบบที่มันไม่ใช่แบบถ้าบ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแบบหมุนอย่างนั้นนะเราเราไม่ค่อยเห็นชัดๆอะ่ะแต่ถ้าในอเมริกาหรือในอะไรมันเห็นเหมือนเข็มเหมือน เหมือนงวงช้างหอะไรเนี่ยอัสาุลลอฮ์นี่คือการลงโทษที่น่ากลัวเราจะลาส่งลมมาแล้วเชื่อไหมท่านนบีสุล่ลลาน ม, มีรื่องเจากท่านหญิงไอชะแต่หญิงไอชะเนี่ยบอกว่าท่านนบีสุลต่านเวลาที่เรินน่มมีเขาฝนเนี่ยหน้าตาของท่านหรือว่าสีหน้าของท่านจะเปลี่ยนไปไอชะก็ถามว่าย่าอลุลลอฮ์ ทำไมทุกครั้งเวลาที่ฉันเห็นเวลาที่ท่านเห็นเมฆเริ่มมาเริ่มเก่อตัวนี่ฉันเห็นท่านดูอาการไม่ค่อยดีส่วนใหญ่แล้วพวกเราเวลาที่เห็นเมฆน้าฝนจะลงมาก็ดีใจใช่ไหมครับแต่ท่านนับีนี่จะสีหน้าจะเปลี่ยนจะเดินเข้าออกเดินเข้าบอ่อยแล้วก็ขอดูอาอยู่ตลอดเวลาท่านนาับีก็ตอบว่าฉันกลัวว่าเมฆที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นเหมือนกับ อ้ายตีกลักอลากูดถึงนบีฮุดอลาอิ ส, สลาม هذا عارض م م ร ر ن ا เพราะฉะนั้นเราต้องระวังด้วย <c oughs> พวกเราเองก็ต้องระวังเวลาที่เห็นเมฆบอกมาเนี่ยต้องต้องต้องระวังก่อนท่านนาบีนีท่านระวังก่อนแล้วถ้าสมมุติผ่านไปสักพักนึ่งฝนตกลงมาจริงๆอ่าสีหน้าของท่านก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็ มีความดีใจด้วยซ้ำไปแล้วก็จะขอดูอาเพราะฉะนั้นดูอาช่วงที่ฝนกำลังจะตกเนี่ยมันจะมีอยู่สองดูอานั่นก็คือดูอาตอนที่ลมพัดมาลมพัดมาก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยมีดูอาที่เราใช้ในการป้องกันอัลลอฮเมืนี้มีอยู่ในตับซิดบโนกะซิดเป็นห a d i s ซับซิ้ที่รายงานโดยอิมามมุสลิมนะครับ จากอัน شهر ดิยาล له عنها إذا عصفت ا ل ر ي ل ه ะคือรับศร์ะศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศระศ ว่าอี خ ดะตะ ل คยยาละติสเซมาตเยรอลนูหูและเมื่อเมื่อไรก็ตามที่ท้องฟ้ามีฝนมีอะไรออกมาสีหน้าของท่านก็กลับมาปกติ ف ต ذ ا, أ م ี م ดอัมตรัดสุรยอาอหูและเมื่อมีฝนตกลงมาเนี่ยใบหน้าของท่านก็จะมีสีหน้าที่ดีขึ้นพร้อมๆกับขอดูอาอัลลอฮฺมะไยบันนาฟิอา وإذا أمطر قال اللهم صيبنا ف ع ا ق ع. ب ا قال ع ل ا, ا ل <ت ص في ق> ب ب آ ل ا ة والسلام เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกให้นึกอายะนี้ในสุร่าอุลอกควเวลาพายุเข้ามาแรงๆอย่าลืมดูอาที่ท่านนบีสุลตัลละสั่งสอนเราเพราะบางทีมันอาจจะเป็นการลงโทษและเราไม่รู้ตัวเราเป็นเฒ่ามนต์แตารุนเหมือนกับบรรดาพวกอานที่เป็นเฒามนต์จาุ่น لا إله إلا الله ตุดัมรู ทุกเรื่องที่อยู่ในมอของพ้าทุเรื่อที่อย่านมอของพระเจ้าทุกเงที่อยมืรทุกเรื่องยู่านมืงพ้าทุกเร่องทีอยู่ในมอของพระ้าทุกเรองทมือขอ้วยการสั่งจากเรืองทีอยู่านะากเรนอเากอี่อ่อขอะ้กี่นมงพายุที่พระเ้าอพระทกเร่ี่นกี่นข้ ไม่ใช่วันเดียวอะกี่วันกี่คืนจาได้ไหมเราเรียนแล้วนะสุลตุลอักาบมีไหมในี้จำได้ไหมาคอน7คืน8วัน เจ็ดคืน8ปดวันแปดวันเจ็ดคืนฟาอัสบะฮูเลยุราอิลามาซาคินฮมพวกเขาก็เลยกลายเป็นหายเกลี่องล่มสลายถูกกลบด้วยทรายเนี่ยหมดเกลืให้เหลือแค่บ้านเรือนที่ถูกทำลายไปให้เป็นร่องรอยว่า ตรงนี้เคยเป็นที่ของอัลอาอกรของพวกอาร์เพื่อจะเอาไว้ใช้เป็นบทเรียนสาหรับคนรุ่นหลังทุกเร่องตุดัมมิรุทุก a รื่อง ب a م ر ربها فأصبحوا لا م ن ه م كذلك نجزي القوم ا ل م ج ر นี่แหละคือการลงโทษการตอบแทนของ a l l a ุ س ب า ا ن ه و ت ع ่าต่อบรรดาคนที่เป็นลมุจริมี อั مجرمين หมายถึงบดคคนที่เป็นอาชญากรบดคคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى والعياذ بالله من ذلك มีรู้สึกว่าจะมีเกรดแนับงยูนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงนะครับจากตัฟซีรอัซดี ف َ س َ ل َห์ของพร ه องค ا ทุดมรุ่งทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกข์ทุกสิ่ ن ทุกอย่างทุ ا ข์ทุกสิ่งทุกอ س ่างทุกข์ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกส ن ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิงทงท่งทุกสิ่กสิ่ง่งทุกสิ่ทุกสิทุ่งท่ง ถูกโคน่นต้นอินทราลัมที่ถูกโคนแล้วก็ถูกตัดเพราะว่าต้นอินทราลัมเนี่ยมันมันคล้ายๆกับต้นมะพร้าวต้นปาล์มบ้านเราอะใช่ไหมครับไอสวนที่เป็นลูกมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างบนก็คือถูกตัดหมดกลายเป็นซากนิ่งๆไม่มีไม่มีชีวิตตายเกลื่อนว ล, ล, ลมน بأمر ربها أي بإذنه ومشيئته ف أ ص ب ح ا لا يرى مس إلا مساكنهم قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم كذلك نجزي القوم المجرمين بسبب جرمه وظلمهم โอเค <ت ص في ق> okay, นะครับนี่คือเรื่องราวของพวกอารแน่นอนว่าเรื่องราวของพวกอารเนี่ยมีมีระบุในอัลววกุรอานหลายที่นะถ้าพี่น้องอยากจะเรียนเพิ่มเติม ม่อยู่ในสุราตุลอากรฟแ่ในสุราฮูดเองสุรานบีอูดเองเลยในสุราตุลอารฟก็พูดถึงเรื่องราวของพวกอารพอสมควรนิดนึงมาสุราฮูดสุราฮูดเนี่ยเป็นหนึ่งในจนวนสุราที่ท่านนบีสลตละฮับอกว่าชียบัตินีฮูดุนละขาวตสุราฮูดเนี่ยทให้ฉันเป็นงอโดยความที่เนื้อหาของมันเป็นอะไรที่น่าสพึงกลัว พูดถึงการทำลายของบรรดาประชาชาติที่เคยปฏิเสธซึ่งพวกมุชริกีนไม่ใช่ไม่รู้จัก อ, นนอันนี้คือจุดสำคัญนะเวลาที่ให้เล่าเรื่องราวของอาดก็ดีของสมูดก็ดีมุชริกีนมกักแครู้จักเพราะต้องเดินทางลนอีลาฟอุไรชอีลาฟิหิมเรลตะชิตอ ย, อยวัสไซฟเวลารุดูรนเดินทางไปเมืองชามต้องผ่านดินแดนที่เรียกว่าดินแดนมดาดเอน มาด้อ็นโซ่แหต้องผ่านสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของพวกแามูดของพวกนบีโซ่แหลเห็นที่อยู่ของพวกนบีโซ่แหละของแซมูดเนี่ ย, ยปัจจุบันนี้ก็ยังมียังเห็นอยู่เป็นการแกะสลักภูเขาอินอันนั้นบ้านเรือนไม่ถูกทําลายเพราะอะไรเพราะการลงโทษเป็นด้วยเสียงทําให้บ้านเรือนยังคงอยู่ ในขณะที่เวลาฤดูหนาวพวกมัชดิกินเดินทางไปเยเมนก็จะต้องผ่านเส้นทางของพวกพวกอาพวกอัลกาอร์อัอลสุบะอัลตะละเอาเรื่องราวต่างๆของประชาชาิก่อนหน้านี้มาตักเตือนพวกมัชริกรินเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีความตระหนักและสำนึกว่านูน่นคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเจ้าคนที่มีอำนาจมีความ อะไรต่างๆนั้ น, น, นมีอรารยธรรมดีกว่าพวกเจ้าเนี่ยถูกทำลายมาแล้วเพราะการที่พวกเขาปฏิเสธอัลลอฮฺสุบานุตาลแล้วนับประษาอะไรกับพวกเจ้าซึ่งมักกะตอนนั้นไม่ได้มีอรารยธรรมอะไรเลยเป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่เข้าใจมครับยิ่งง่ายต่อการโดนทำลายมากกว่าคนเหล่านั้นด้วยซ้าไปแต่อัลลอุบานตาละไม่ทำลายชาวมักกะเพราะอะไรรู้ไหมครับ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นคนขอด้อาว่าประชาชาติของฉันเนี่ยฉันขอจากพระองค์ข้อหนึ่งอย่าให้โดนทำลายเหมือนกับประชาชาติของบรรดาห น, นบีก่อนหน้านี้ไอที่พวกมุชริกีนสามารถหายใจอยู่ได้ทุกวันทุกวันทุกวันในยุคสมัยของท่านหนบีตอนนั้นะ่ะถ้าสมมุติท่านนบีไม่ได้ขอจากอัลลอฮฺสุบานเาตาละ เลี้ยงไปแล้วทำไมพวกเจ้าไม่สำนึก وما كان الله ي มากา م وما كان الله ل ي ع อั ه ต่เราบอกชัดมากว่าพระองค์จะไม่ลงโทษคนเหล่านี้ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ตรงนี้อ้ค์มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมและเหตุใดถึงไม่ยอมระหนักไม่ยอมรู้ดื้อด้านนะครับไม่ยอมเข้าใจ ก็อมนตชาลุอย่าเป็นคนจะเห็นนั่นแหละหนึ่งในจำนวนดวอาที่ท่านนาบีขอให้กับประชาชาติของท่านมากเหลือเกินซึ่งเป็นดวอาที่เราก็ต้องขอให้กับพี่น้องของเราอัลลอฮ์เมื่อฟิรลีก้ามี فإنهم لا يعلمون อัลลอฮ์มื่อฟิรลีอัลลอฮ์เมื่อฟิร์ลีก้าวมี فإنهم لا يعلمون ดวอาที่ท่านนาบีขอให้กับประชาชาิคนที่ดื้อด้านในประชาชาิของท่านก็คืออย่าอัลลอฮ์อภัยให้กับประชาชาติให้กับกลุ่มชนของท่านของฉันเถอะเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้ เราก็เช่นกันนะครับพวกเราเองถ้าสมมติว่าในหมู่พวกเราตอนนี้นะมีคนที่ดื้อมีคนที่ไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมอามัลไม่ยอมรักษาความดนะียังทำอะไรต่างๆที่มันผิดนะถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไม่ยอมป้องกันตัวเองไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปอะไรอัลลอฮุมะบีอัลลอฮ์มะเฟินนะฮุมลายัลลาฮต้องเห็นใจ ول ا ل l a h مستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم โ okay. อ ل ا นะจ๊ะเราเ والله تعالى عالم وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وصل الله ل ن نبينا محمد على آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركات